นักโมตัตสะภะกวาโตอารหะโตสมมาสมบทัตสะนักโมตัตสะภะกวาโตอารหะโตสมมาสมบทัตสะนัโมตัตสะภะกวาโตอารหะโตสมมาสมบทัตสะสะบะปะปัตสะอักกรนวังกุสะลาสุปะสัมปะา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 คือวันแห่งการฟังซึ่งทมอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถสุดท้ายของปีก็จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายเดินมาทบทวนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันตามธรรมดาทั่วไปพอถึงช่วงสิ้นปีเราก็จะนิยมระลึกทบทวนถึงสิ่งที่ได้เคยทำผ่านมาแล้วในระหว่างปี ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดีแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขกันใหม่วันนี้อาตมาภาพก็จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองทบทวนถึงการดำเนินชีวิตที่ผ่านมานั้นว่ายังตรงกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มากน้อยเพียงใดจะได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระธรรมคาสอน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 ไม่เว้นแม้แต่พระองค์ตถาคตเจ้าด้วยเช่นกันถ้าเรามา ย, ย้อนดูพระประวัติของพระองค์กันให้ดีเราก็จะได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับพระประวัติโดยทั่วไปเราทุกคนในที่นี้ก็พอทราบกันมาแล้วไม่มากก็ น, น้อยก็อย่างที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาว่าพระองค์นั้น เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธทนะพระราชบิดาได้ทรงสร้างพระาสาทให้พระองค์ประทับอยู่ถึงสามหลังเพื่อจะได้ประทับอยู่ได้อย่างสบายในทุกฤดูอีกทั้งไม่ว่าพระองค์จะทรงปรารถนาได้สิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภคไม่เว้นแม้แต่สาวงามคนใดก็ทรงได้ตามปรารถนาทุกประการ มาถึงจุดนี้แล้วอาตมาก็อยากให้ทุกท่านได้ลองสมรว้ตัวเองแล้วเทียบเคียงกับพระองค์หูวว่าสิ่งที่พระองค์ทรงได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาอยู่ใช่หรือไม่เพราะคนเราสมัยนี้ต่างก็แก่งแย่งแข่งขันกันก็เพื่อจะได้เพื่อที่จะถึงในสิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองตั้งคำถามขึ้นกับตัวเองดูว่าถ้าท่านทั้งหลายได้มีได้เป็นในแบบที่พระองค์ทรงมีทรงเป็นแล้วนั้นเราท่านจะรู้สึกอย่างไรแล้วเราจะกล้าที่จะสละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าเราไม่สามารถทาได้ก็ลองตั้งคาถามขึ้นอีกข้อหนึ่งดูว่าสิ่งใดเล่าที่สามารถทาให้พระองค์ ทรงถึงกับสละสิ่งอันน่าปรารถนาเหล่านั้นได้คำตอบนั้นก็เพียงเรามองย้อนเข้าไปในจิตใจของเราๆท่านๆก็จะสามารถพอเข้าใจได้สิ่งที่พระองค์ทรงเสมอภาคกับเราๆท่านๆนั้นก็คือพระองค์ทรงมีความทุกข์ทางใจเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเพราะความสุขที่ได้รับจากสิ่งต่างๆภายนอกนั้นถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้สึกเฉยชินกับมัน อาตมาจะยกตัวอย่างให้พอได้เห็นและเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นวันนี้เราเกิดรู้สึกอยากรับประทานไข่เจียวเราก็สั่งไข่เจียวหรือทําไข่เจียวรับประทานความรู้สึกแรกๆของการรับประทานก็ได้รับความพอใจมีความสุขที่ได้รับทานตามอยากแต่พอรับทานไปเรื่อยความรู้สึกพอใจที่ได้รับทานก็ค่อยๆน้อยลง จนเริ่มอิ่มก็เริ่มไม่อยากรับทานต่อจากนั้นเราก็ดิ้นรนอยากอย่างอื่นต่อไปเพราะสิ่งเดิมไม่อาจจะดำรงความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นต่อไปอีกได้ความเบือ่อความอยากก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่เราท่านทั้งหลายอาจจะไม่มองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ทางใจกับเราแต่พระองค์ทรงมีสายพระเนตร มองเห็นถึงความทุกข์ทางใจที่สิ่งต่างๆทั้งหลายภายนอกไม่อาจที่จะรักษาได้ประจวบกับพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่หนึ่งคนเจ็บหนึ่งคนตายหนึ่งและสมณะหนึ่งซึ่งพวกสมณะนั้นเมื่อดูจากภายนอกก็เป็นผู้มีกายวาจาสงบประงัดทำให้พออนุมานถึงความสงบแห่งจิตใจได้ จะเป็นเหตุให้พระองค์ทรงตัดสินพระไทยที่จะสละสิ่งต่างๆที่ทรงมีทรงเป็นเพื่อสแสวงหาความพ้นทุกข์ของใจจากนั้นพระองค์ทรงแ ส, ว ง, สวงหาหนทางอันนามาซึ่งความพ้นทุกข์ของใจอยู่เป็นเวลาถึงหปีพระไทยจึงรู้แจ้งในความจริงอันประเสริฐสี่อย่างอันเป็นเหตุให้พระองค์ทรงถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ4ี่อย่างนี้เป็นอย่างไรเล่าความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้คือความจริงที่ว่าเรื่องทุกข์ <c ss> เหตุเกิดแห่งทุกข์ <c ss> ความดับไปแห่งทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับไปแห่งทุกข์อันนึงอาตมาภาพก็ อ, อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองทบทวนวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรและได้ลองเทียบเคียงกับวิถีทางดําเนินให้ถึงความดับไปแห่งทุกข์ หรือทุกข์นิโรธข า, าม่นีปฏิปทาว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรแล้วทุกข์นิโรธข า, าม่นีปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรอรียมัคอันประกอบไปด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหนึ่งสัมมาสังกโปวความดาริชอบหนึ่งสัมมาวาจาเจรจาชอบหนึ่งสัมมากรรมโตการงานชอบหนึ่งสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่ง สัมมาวายามโมพยายามชอบหนึ่งสัมมาสติระลึกชอบหนึ่งสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นชอบหนึ่งเหล่านี้คือทุกขามิโรธคามินีปฏิปทาทีนี้เราก็ลองมาเทียบเคียงทางดำเนินชีวิตของเรากับอริยมรตมีองค์แปดกันเริ่มที่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบกันก่อน แล้วความเห็นของเราจะเป็นอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นความเห็นที่ชอบคือต้องมีความเห็นว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไปแห่งทุกข์และนี้คือทางดําเนินที่ถึงความดับแห่งทุกข์เมื่อเราเห็นกันอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบแล้วคิดอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้คิดหรือดําริชอบคือต้องเป็นผู้ ที่มีดําริไม่พยาบาทดําริไม่เบียดเบียนและดําริออกจากการรมเมื่อเราคิดอยู่ในทางเหล่านี้จึงชื่อว่าดําเนินอยู่ในทางแห่งความดําริอันชอบการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดหยาพูดสอดเสียดและพูดเพอเจอร์เหล่านี้คือสัมมาวาจาเจรจาชอบไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดถ้าสิ่งที่กระทํานั้นไม่เป็นการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์หรือประพฤติผิดในการมนี้ถือว่าเป็นผู้มีการงานอันชอบส่วนผู้ที่ละแล้วซึ่งมิชฉาชีพแล้วประกอบสมาราอาชีพนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีวิตชอบผู้ที่จะมีความเพียรอันชอบนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เพียรที่จะละบาปอกุศลอันเกิดขึ้นแล้วและเพียรบำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้น อันนี้อตมาภาคก็จะขอยกตัวอย่างให้พอเข้าใจเพิ่มมากขึ้นสักเล็กน้อยอย่างเช่นเวลาที่เราจะบริจาคทานนั้นก็จะมีความคิดความรู้สึกเสียดายเข้ามาแทรกความคิดความรู้สึกแบบนี้อันเป็นฝ่ายกุศลเราต้องเพียรที่จะละให้ได้บ่อยๆและหมันจเจริญความคิดความรู้สึกของจากฆะคือการบริจาคอันเป็นธรรมฝ่ายกุศล ซึ่งการที่เราบริจาคทานนั้นก็เป็นการชำระอกุศลธรรมโลภะคือความโลภความตรนีในใจเราออกไปและเมื่อเราทำได้บ่อยๆจนเป็นนิสัยใจของเราก็จะคุ้นชินแล ะ, จะเจริญไปในฝ่ายกุศลธรรมซึ่งมีผลส่งให้เราถึงในคติต่างๆที่ดีส่วนสข้อสุดท้ายคือสัมมาสติ ระลึกชอบและสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นชอบนั้นก็จะขออธิบายเป็นพร้อมๆกันระลึกชอบนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราระลึกอยู่ในสีสถานคือกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตและธรรมแต่เมื่อเริ่มต้นการระลึกในส่วนของกายก็จะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายแล้วเราจะตั้งสติดูกายของเราอย่างไร ง่ายที่สุดก็คือมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราเองเมื่อลมหายใจเข้าลมกระทบจมูกเราก็มีสติรู้ว่าลมเข้าเมื่อลมหายใจออกลมกระทบจมูกเราก็มีสติรู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมว่าลมจะเข้าจะออกไปถึงไหนเพียงแค่มีสติดูลมหายใจที่กระทบจมูกที่จุดเดียว เมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องไม่วันไหวใจจึงตั้งมั่นลงที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิคือใจตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจทำไมจึงให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเพราะธรรมชาติของการหายใจนั้นเป็นอารมณ์กลางๆสบายๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์เมื่อใจเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจ ใจเราจึงสวยอารมณ์กลางๆสบายๆไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อใจตั้งมั่นในอารมณ์กลางๆแบบนี้แล้วจึงจะสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เห็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าไม่เป็นทุกข์เพราะใจยังลำเอียงเพราะมีอารมณ์ชอบในสิ่งที่กำลังพิจารณายกตัวอย่างเช่นร่างกายของเขาของเรา หมอที่ผ่าตัดคนไข้เห็นถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายคนอยู่เป็นประจำแต่พอไม่ได้ผ่าตัดคนไข้ก็ยังคงมีความยินดีพอใจในความสวยงามของร่างกายในเพศตรงข้ามถึงแม้ในบางขณะจะพยายามคิดถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายคนแต่อารมณ์ในใจขณะนั้นไม่ได้น้อมโน้มเห็นไปตามใจจึงไม่สามารถละวางความยึดถือในร่างกายได้ เมื่อใจเราตั้งมั่นกับอารมณ์กลางๆของการหายใจได้แล้วน้อมไปพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายรับรู้ได้ถึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วให้ใจเราตั้งมั่นกับอารมณ์ของการพิจารณานั้นอยู่เนืองๆใจเราก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงของใจที่ไปสาคัญผิดเกี่ยวกับร่างกายอันนี้เป็นสิ่งรักไข่หน้าพอใจหรือร่างกายนี้เป็นสิ่งปัจกูลเป็นของไม่สะอาด เห็นเพียงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงที่ประชุมกันของธาตุสีคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่เห็นได้ดังนี้ใจก็จะสลัดคืนไม่ยึดถือเกี่ยวกับร่างกายต่อไปส่วนการคลายความยึดถือในส่วนนามธรรมนั้นยิ่งต้องมีสติคอยพิจารณาจิตใจเห็นใจเป็นอกุศลก็รู้แล้วก็ละละโดยการดึงใจไปตั้งมั่นไว้กับลมหายใจ เมื่อเห็นใจเป็นกุศลก็รู้รู้แล้วก็ดึงใจไปตั้งมั่นไว้กับลมหายใจเช่นเดียวกันเมื่อทำได้อยู่บ่อยๆใจก็จะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงของใจใจปล่อยวางไม่ยึดถือหรือกวัดแกว่งไปกับธรรมารมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามธรรมดาของมันเมื่อปล่อยวางได้ดังนี้ใจก็จะผ่องใสของแผ่ว เพราะปล่อยวางจากสิ่งที่ทำให้จิตใจขุดมัวเศร้าหมองอันเป็นเหตุ น, นามาซึ่งทุกข์ถึงบรมสุขคือนิพพานดังพระบาลีว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสรุปความของวิถีการดาเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองศาให้ย่อลงจาได้ง่ายก็ย่อลงเหลือหลักใหญ่อยู่สามประการคือ ไม่ทำบาปทั้งปวงมีการไม่ฆ่าสาัตว์เป็นต้นทําความดีให้ถึงพร้อมมีการให้ทานเจริญเมตตาเป็นต้นและทําจิตใจให้ผ่องแผ้วโดยการฝึกหัดเจริญสติพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแห่งอริยสัจีสมดังพระบาลีที่ได้ยกไว้เป็นนเิเคปบทเบื้องต้นว่าสัปปะ า, บาปัสสะอกระนังการไม่ทาบาปทั้งปวงหนึ่ง กุสลสู้ปะซัมปธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตะปริโยดปนังการทำจิตใจให้ผ่องแผ่หนึ่งเอตังพุทธานศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นพอสมควรแก่เวลาก็ขอจบพระธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้เอวัง